โทษแก่ปุตุชนในการเกี่ยวข้องกับเรื่องริสสำหรับปุตุชนริดอาจเป็นโทษได้ทั้งแก่ผู้มีริดเองและแก่คนที่มาเกี่ยวข้องกับผู้มีริดปุตุชนผู้มีริดอาจจะเกิดความเมาริดบาลีว่าอิติมทะเป็นพวกเดียวกับเมาความรู้เมาศีลเมาฌานเป็นต้น ผูท้ทุชนผู้มีฤทธิ์อาจจะเกิดความเมาฤทธิ์ในลักษณะต่างๆเช่นเกิดมาณาว่าเราทําได้ในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้คนอื่นทําไม่ได้อย่างเรามีความรู้สึกยกตนข่มผู้อื่นกลายเป็นอาสัตบุรุษไปหรืออาจเกิดความลหลงไหลมัวเมาในลาบสักการะที่เกิดจากฤทธิ์นัน้นนำฤทธิ์ไปใช้เพื่อก่อความชั่วความเสียหายอย่างพระเทวทัตเป็นต้น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 ท่านจึงจัดเอริ์เป็นปาลิโพธอย่างหนึ่งของวิปัสนาเรียกว่าอิทธิปาลิโพธซึ่งผู้จะฝึกอบรมปัญญาเพื่ตัดเสียให้ได้ส่วนปูถุชนที่มาเกี่ยวข้องกับผู้มีฤทธ์ก็มีทางประสบผลเสียจากฤทธ์ได้เป็นอันมากผลเสียข้อแรกทีเดียวก็คือคนที่มาเกี่ยวข้องอาจตกไปเป็นเหยื่อของผู้มีฤทธ์ หรือหลอกลวงว่ามีฤทธิ์ซึ่งมีอกุศลเจตนานำเอาฤทธิ์มาเอ่ยอ้างเพื่อสแสวงหาลาบสักการะอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้มีข้อพึงสังเกตว่าตามปกติผู้มีฤทธิ์ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติชอบจะใช่ฤทธิ์ในกรณีเดียวเมื่อมีเหตุผลอันสมควรเพื่อเป็นสื่อนาไปสู่การแนะนำสั่งสอนสิ่งที่ถูกต้องคืออนุสาสนีปาฏิหาร ถ้าไม่มีเหตุผลเกี่ยวกับการแนะนำสั่งสอนธรมแล้วผู้มีฤทธิ์จะใช้ฤทธิ์ทำไมนอกจากเพื่อผูกคนไว้กับตนเป็นสะพานทอดไปสู่ชื่อเสียงและลาภผลแต่อย่าลืมว่าการตั้งใจใช้ความประพฤติศีลวัดเป็นเครื่องชักจูงผูกหมู่ชนไว้กับตนเพื่อผลในทางชื่อเสียงความยกย่องสรรเสริญหรือลาบก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงติเตียนมากเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงควรยึดถือเป็นหลักไว้ทีเดียวว่าการใช้อิทธิปาฏิหารจะต้องมีอนุสาสนีปาฏิหารตามมาด้วยถ้าผู้ใดอ้างหรือใช้อิทธิปาฏิหารโดยไม่ใช่เป็นเพียงบันไดที่จะนำไปสู่อนุสาสนีปาฏิหารพึงถือไว้ก่อนว่าผู้นั้นปฏิบัติในเรื่องอิทธิปาฏิหารเขาอาจมีอากุศลเจตนาหลอกลวงมุ่งสแสวงหาลาบสักการะหรืออย่างน้อย ก็เป็นผู้หมัวเมาหลงไหลเข้าใจผิดในเรื่องอิธิปาติหารนั้นหลักการนี้ผ่อนลงมาใช้ได้เกี่ยวกับเรื่องของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจลึกลับนั้นรวมถึงสิ่งที่ท่านเรียกว่าติรชานวิชาบางอย่างด้วยคือวิชาที่ขวางต่อทางสวรรค์นิพพานหรือวิชาภายนอกที่ไม่เข้ากับจุดหมายของพระศาสนา โดยมากเป็นวิชาจำพวกการทำนายทายทักและการรักษาโรคต่างๆซึ่งจะจัดเป็นความบกกร่องเสียหายในด้านศีลหากภิกษุนำมาใช้เป็นเครื่องมือหาเลี้ยงชีพหรือหาลาบสักการะติรชานวิชาเป็นคนละอย่างกันกับอิทธิปาติหารมีมาในทีฆนิกายสิลขันทวักและกล่าวซ้ำมาอีกหลายสูตรในพระไตรปิฎกเล่มก้านั้น และมีสิขาบทห้ามเรียนห้ามสอนในวินัยปิดกเล่มที่สามหลักการนี้ผ่อนลงมาใช้ได้แม้กับพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องของคลังศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปโดยอาจให้ยึดถือกันไว้ว่าผู้ใดนำเอาของคลังศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งลึกลับต่างๆมาใช้ในการเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยไม่ได้นำประชาชนไปสู่ความรู้ความเข้าใจในธรรม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 อันหนึ่งแม้ในกรณีที่ไม่ได้ตกไปเป็นเหยื่อของผู้อวดอ้างฤทธิ์การไปมัววุ่นวายเพลิดเพลินหรือฝากฝ่ายกับอิทธิปาฏิหารทั้งหลายก็เป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนาอยู่ในตัวแล้วตั้งหลายแง่แง่ที่หนึ่งในเมื่ออิทธิปฏิหารไม่ใช่สาระสำคัญของพระพุทธศาสนาไม่เกี่ยวกับจุดหมายของพระพุทธศาสนา ไม่ช่วยให้มนุษย์หลุดพ้นจากกิเลสการไปฝักใฝ่ในเรื่องเช่นนี้ย่อมเป็นการร่าเวลาและแรงงานที่ควรใช้สำหรับการปฏิบัติธรรมให้หมดไปในทางที่ผิดแง่ที่สองคนที่ไปเกี่ยวข้องกับผู้อ้างฤทธิ์หรืออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์มักมุ่งเพื่อไปขอความช่วยเหลือหวังอำนาจดลบรรดาให้เกิดโชคลาบเป็นต้นการปฏิบัติเช่นนี้ ย่อมไม่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาที่เป็นกรรมวาทะกิริยาวาทะและวิริยาวาทะสอนให้คนหวังผลสําเร็จจากการลงมือทำด้วยความเพียรพยายามตามเหตุตามผลการมัวหวังผลจากการอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากอานาจดลบันดาลอาจทําให้กลายเป็นคนมีนิสัยเฉย ช, ชากลายเป็นคนงอมืองอเท้าอย่างน้อยก็ทําให้ขาดความเพียรพยายาม ไม่รีบเร่งลงมือทำสิ่งที่ควรจะทำไม่เร่งเว้นสิ่งที่ควรงดเว้นขัดกับหลักความไม่ประมาทนอกจากนั้นถ้าจะฝากไยกับอิทธิปาฏิหารก็ควรฝึกตนให้ทำปฏิหารนั้นได้เองจะดีกว่าซึ่งก็ยังขัดกับหลักการแง่ที่หนึ่งข้างต้นอยู่ดีเพราะการฝากไฟหวังผลจากอิทธิปฏิหารของผู้อื่นหรือจากอานาจดนบันดาลทั้งหลาย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 หรือสามารถพึ่งตนได้และสอนมักคาเห็นความหลุดพ้นเป็นอิสระซึ่งในขั้นสุดท้ายให้ข้ามพ้นได้แม้กระทั่งศรัท ธ, ธาที่มีเหตุผลไปสู่ความเป็นอยู่ด้วยปัญญาบริสุทธิ์ไม่ต้องอิงอาศัยแม้กระทั่งพระาศาสดาเริ่มตนมักคาจากการอิงอาศัยปัญญาสองนาขององค์พระาศาสดาผู้เป็นกัลยาณมิตรไปสู่การยืนได้ลพาพังตน